ก็มั่นใจขนาดนี้ถ้าเปลี่ยนได้ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาแนะ่ก็เลยเลอยผมลอยชดาลอยเครื่องบริการเครื่องบูชาไฟในน้าพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสบเสียนลงแท่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทูลขอบรรประชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพวกข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรนประชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าค้า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 ก็มีความคิดว่าอุปสรรคอย่าได้มีแก่พี่ชายทั้งสองของเราเลยก็เลยส่งเชดินไปด้วยคําสั่งว่าพวกเธอจงไปจงรู้พี่ชายทั้งสองของเราทั้งตนเองกับเชดิน200คนก็เข้าไปหาท่านอุรุเวลกัสปะกราบเรียนท่าว่าข้าแต่พี่กัสปะพรหมจันนิประเสริฐแน่หรือขอคํายืนยันหน่อยที่มันแน่ยังไงที่มันนหลังจากนั้นอุรุเวลกัสปะก็ตอบว่าแน่ละเธอพรหมจันน้ประเสริฐ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 ประมาณ3500อวิธีเช่นอะไรบ้างก็ผ่าฟืนห้าร้อย่ะนะผ่าฟืนห้าร้อยท่อนผ่าไม่ได้ให้ผ่าได้ก่อกองไฟห้าร้อยท่อนดับไฟห้าร้อยกองเนี่ยนะอธิษฐานด้วยการอธิษฐานของพระพุทธเจา้าแล้วก็เน е รมิตกองไฟอีกห้า้อกองแล้วก็อย่างอื่นอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับอยู่ณนะตาบนอรุเวลาตามพุทธาพิรมแล้วก็เสด็จโดยมัคคาจะไปสู่ตาบล ขยาศีษะตะบนขยาศีษะแถวแถวตอนนี้ก็ไม่ไกลาจากจังหวัดขยาเท่าไหร่เนี่ยนะก็ไม่ห่างจากจังหวัดขยาเท่าไหร่ครั้งที่แล้วว่าจะชวนคนขับรถไปบอกเออไปส่งที่ที่ขยาศีษะหน่อยบอกไปไม่ทันบอกรับว่างั้นกลับมาไม่ทันเพนแน่แล้วเราก็ห่วงเพนก็เลยไม่ได้ไปขยาศีษะเลย่าันเกรงใจก็ด้วยนะเพราะยืมรถเข้าไปมันก็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 ได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ตาบลขยาสีษะใกล้แม่น้ำขยานั้นอะ่ะพร้อมด้วยภิกษุผันรูปณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นของร้อนคำว่าสิ่งทั้งปวงในที่นี้หมายถึงอุ ป, ปาทานขันห้านะเรียกว่าส ก, กายะสัพเะเนี่ยนะส ก, กายะสัพเพเป็นชื่อของขันห้า อุปาทานขันห้าอายตนะสิบสธาตุสิเนี่ยแหละเป็นชื่อของธรรมที่เป็นไปในภูมิสาเรียกว่าสิ่งทั้งปว ง, ง, ง, งสิ่งทั้งปวงเหล่านี้อาทิตตังมังกันสับพังพิขเวอาทิตตังสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนก็อะไรเล่าที่ชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนนะที่จริงพระองค์สามารถแสดงโดยขันก็ได้โดยธาตุก็ได้แต่ณที่ตรงนี้พระองค์แสดงโดยอายตนะว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายจักษุเป็นของร้อนแปล ว, ว่าตาเนี่ยเป็นของร้อน รูปคือภาพที่ตาทั้งหลายเห็นขึ้นเนี่ยนะรูปทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นของร้อนจากคู่วิญ ญ, ญาณจิตเห็นก็เป็นของร้อนเนี่ยนะจากคู่วิญญาณจิตที่อาศัยจากคู่กับรูปเกิดขึ้นเนี่ยเป็นของร้อนจากคู่สัมผัสก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากคู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของรอ้อนอ่ะแล้วมันร้อนเพราะอะไรและทาไมมันจึงร้อนล่ะ ก็ร้อนเพราะไฟคือราคะเนี่ยนะมีตาคู่ไหนมั่งที่ไฟราคะไม่เผามีสีรูปไหนมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งไฟราคะเผาอันนั้นมีการเห็นครั้งไหนมั่งที่ราคะไม่เผาโทสะไม่เผาเลยโมหะไม่เผาเนี่ยนะอย่างน้อยโดยมากก็โมหะเผาแม้แต่กุศลจิตเกิดแล้วกุศลจิตจะเกิดนานขนาดนั้นเลยหรือเพราะฉะนั้นอาจจะแค่กุศลจิตเกิดไม่มากเพราะั้นราคะโทสะโมหะก็ยัง แฝงเผาอยู่แม้แต่กุศลจิตก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งไฟคือราคาเป็นต้นเผาอีกนั่นแลรฉะนั้นร้อนเพราะไฟคือราคาร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะแล้วตัวตาสีจักขูวิญญาณผัสสะเวทนานะตัวมันเองอะ่ะธรรมชาติของมันเองก็ยังร้อนเพราะร้อนเพราะชาต ร้อนเพราะชราร้อนเพราะมรณะเขาตัวตาสีรูปจากครูวิญ ญ, ญาณผัสสะเวทนาก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็ร้อนเพราะความเกิดร้อนเพราะความแก่ร้อนเพราะความตายแล้วก็เนี่ยการเห็นเห็นครั้งไหนมั่งที่ไม่นํามาซึ่งความโศกนะเพราะการเห็นเนี่ยโดยมากก็เป็นที่ตั้งแห่งความโศกเพราะไฟคือความโศกก็เผาให้ร้อนรนร้อนเพราะความบน่นอะไรมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความบ่นเพลิ่มพันมั่ง เราพูดบ่นกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็แสดงว่าสิ่งนั้นเป็นของร้อนอ่ะถ้าไม่ร้อนก็ไม่บน่นใช่ไหเพราะสิ่งนั้นเป็นของร้อนก็เลยบน่นาเง้เป็นที่ตั้งแห่งความรำพันและร้อนเพราะทุกโทมนัตและอุปายาตแปลง่ายๆว่าตาเนี่ยไฟสิบเ็ดกองเผาสีก็ไฟสิบอ็ดกองเผาจากคููวิ ญ, ญญาณภาษาเวทนาเนี่ยนะธรรมะห้าในทวารตาเนี่ยไฟคือตราคาโทสามโมหะสามกองใช่ แล้วก็ไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทโมนัสอุปายาตสาบวก8ดก็เป็น11บอ็เรียกว่าไฟ11บกองเผาว่า ง, งั้นซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยนะพื้นฐานพื้นเพจริงๆอะ่ะท่านเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะออกจากวัตถุกข์โดยอัปยาสายอยู่แล้วพอมาฟังวิธีการเหล่านี้ที่บอกวิธีการเจริญวิปัสนาในทวารตาลักษณะเนียท่านก็เจริญตามได้เลย คือท่านฟังเข้าใจเลยนะมันร้อนนึไม่ร้อนไม่รู้อะไรย่างไฟมานานแล้วก็เข้าใจและคำว่าร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมันร้อนจริงๆถ้าไม่มีตามต้องย่างไฟไหมเห็นที่ดูเลยโอเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนโสตวิญญาณเป็นของร้อนโสตสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข์คำสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าร้อนเพราะไฟคือราค้าเผาได้หมดอ่ะ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 ตอนฟังก็ทําท่าจะร้อนอยู่เหมือนกันนะพอเลิกฟังก็เย็นต่อ น, นี่นะต่อไปบอกว่าคานะเป็นของร้อนเนี่ยนะจมูกเนี่ยเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายก็เป็นของร้อนคานะวิญญาณก็เป็นของร้อนคานะสัมผัสก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อน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 ไม่พิจารณาโมหะเนี่ยนะถ้าไม่เจริญส ม, มถาวิปัสสนาก็เป็นโมหะพันสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกคมสุขเวทนาก็เท่ากับบอกว่าราคะโทสะและโมหะโดยลัวอยู่แ ล, แล้วแล้วก็ตัวจมูกกลิ่นคานวิญญาณผัสสะเวทนาก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดเนี่ยร้อนเพราะความเกิดร้อนเพราะความแก่แล้วก็ร้อนเพราะความตายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตถามว่าถ้าไม่ได้กลิ่นจะโศกไหม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 แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นสิเออทาไมเราไม่ได้กลิ่นชนิดนั้นนะ่ะเราห้หาอยหายนั่นแหละนะเออต่อไปเราน่าจะได้กลิ่นชนิดนั้นถามว่ากลิ่นไหมกับกลิ่นหอมมันคือทิ่งเดียวกันไหมไ ม, มาจากวัตถุเดียวกันอะนะถามว่าปลาไหม้กับปลา <c oughs> กลิ่นสมมติใครที่ชอบของแบบบางอย่างที่ของย่างของอะไรเป็นต้นนะถามว่าไอ้ของเดียวกันเนี่ยเสร็จแล้วอีกภาคหนึ่งก็เป็นของหอมอีกภาคหนึ่งก็เป็น เหมนั้นวัตถุเดียวกันพร้อมที่จะแปลสภาพไปเป็นกลิ่นทั้งหลายโดยประการตั้งกลวงจากกลิ่นที่ดีการแปรบจากกลิ่นหนึ่งไปสู่กลิ่นหนึ่งเนี่ยนะราคะโทสะโมหะก็ตามมาถ้ากลิ่นเป็นที่ตั้งตัวเองปรารถนาก็ราคะถ้ากลิ่นที่ตัวเองไม่ปรารถนาก็โทสะจะปรารถนาไม่ปรารถนาก็โง่าตามเดิมเพราะไม่เห็นอริยสัจอะไรสะเสร็จแล้วก็กลิ่นเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัทและ อุปายาตเอาแค่เงี้ยโลกนี้มีใครพูดเกินกว่าทวารหเหล่านี้มีไหมไม่มีใจมันก็วนถ้าคนจะเสียใจเสียใจเพราะอะไรอ๋ก็เพราะทวารหเหล่านี้ถ้าจะดีใจก็ดีใจเพราะทวารหถ้าจะโลภก็โลภตามทวาร6ถ้าจะโกรธก็โกรธตามทวารหถ้าจะโง่เขาก็เพราะมไม่รู้ในทวารหถามว่าอะไรเกิดขึ้นโลกเกิดเพราะอะไรเกิดก็เพราะทวาร6นี่มันเกิดขึ้นแลอะไรมันแก่ละก็ทวาร6นั่นแหละมันแก่แล้วอะไรมันตายก็ทวารหหมดสภาพ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 ทวารหกมันพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่าเนี่ยมันเป็นของร้อนอย่งั้นแต่ก็ตอนฟังทีก็ร้อนทีนะฟังดูเหมือนร้อนเออใช่ใช่ร้อนจริงๆแต่ว่าก็ยังเย็นอีกอยู่ดีเนี่ยนะตอนไหนว่าโอ้ยตอนง่วงๆนะห้องนี้เหมือนสวรรค์เลยอย่าง น, นั้นนะนิพานจริงๆก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เนี่ยห้องนอนนี่มันวิเศษที่สุดเนี่ยนะตอนหิวน่ะอริยสัตว์อยู่ที่ไหนไม่สนใจจะอาหารนี่แหละคือนิพานอ่างั้นนะแต่ตอนะนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริไง ตอนกระหายน้ําแม่น้ําแก้วนั้นเนี่ยยิ่งกว่าน้ำำําอมตะอีกนีนะเพระตอนที่หมเพราะว่าตอนเจ็บปวดในแหม่ต้องการหายปวดยิ่งกว่าต้องการนิพพานอีกหลายสิบเท่านั้นเคือจริงๆแล้วหมู่สัตว์เนี่ยโดยมากมันไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้ร้อนโดยอัธยาศัยโดยอ่าเรียกว่านิสระัตอยาศัยที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเดือดร้อนและต้องการออกอย่างแท้จริงเนี่ยนะทีนี้นนนอาการออกอย่างแท้จริงเนี่ยอุบายที่จะออกคือการเห็นแบบนี้แหละคือวิธีออก วิธีออกนสัมมาทิฏฐิอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความเข้าใจใช่ถ้าเข้าใจจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนความเข้าใจที่ว่าเป็นของร้อนความเข้าใจตัวนี้เป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติที่นำออกนาออกจากของร้อนเหล่านี้เนี่ยนะต่อไปชิวหาเป็นของร้อนเนะนะนะี่ยนะกลางวันนี่ร้อนหรือเปล่านะ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 ก็ทวารลิ้นเป็นทวารที่ถ้าไม่มีรถมาเลยเนี่ยนะถ้าสุนัขอยู่หลายๆตัวมันก็ไม่กัดกันนะทุกคนมันจะตัว น, น่ารักมนะันทะโยนอะไรรถระสะชนิดหนึ่งเข้าไปแค่นั้ น, นโอ้โหกัดกันหมดเลยก็คือจริงๆแล้วรถเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะเบาไว้งกันแล้วโต๊ะอาหารเนี่ยมันถือว่าเป็นโต๊ะที่ทะเลาะ ก, กันมากเนยนะเป็นสถานที่ที่คนทะเลาะ ก, กันมากเลยนะมีปากมีเสียงกันก็เรื่องรถนี่แหละเนี่ยนะเธอทําอาหารทําไมเป็นอย่างนี้ข้อ แล้วเธอให้ค่ากับข้าวมาเท่าไหร่เนี่ยก็วนๆอยู่แถวๆนั้นนะ่ะทําไมมันเป็นอาหารอย่างนี้โอ้ยเรื่องรถเนี่เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยแหละนั้นรถเนี่ยมันโดยเฉพาะทวารลิ้นเนี่ยนะที่เรียกว่าเอาสิ่งนั้นมาเคลือบกับน้ําลายแล้วรูปลิ้นเข้าไปนี่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะมันอะไรจะจริงๆนะมันทะเลาะกันบกเบาะแวงกันเข่นข่ากันก็ตัวอาหารน่ะก็รถอันไม่อร่อยนะั่นแหละมันก็เลยมองหน้ากันไม่ค่อยติดกัน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 แล้วก็ลิ้นเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความโศกเนี่ยนะโศกกะเนี่ย่างแม้ถ้าทานอาหารที่ไม่อร่อยนี่แทบสะอื้นในอกเลยนะเรากินข้าวเคล้าน้ําตานี่ใครไม่เคยมั่งทาบุญอะไรมาเนาะแล้ได้อาหารอะไรช่างอร่อยแท้เนี่ยนะคือไม่เรา้โแม่ตรอมใจเหลือเกินทําไมให้เรากินอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะทําใจลําบากเหลือเกินเนี่ยนะหรือเรามีกินเท่านี้หรือเศร้าใจเหลือเกินที่ได้อาหารชนิดนี้มาทานเนี่ยนะทำบุญมาดีมากโมทนาด้วยทําบุญมาดี เพาทุกมื้ออร่อยหมดเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็เก่งจังทําบุญมาดีมา ก, กนะนะขอให้รักษาบุญให้มีบุญตลอดไปกันแล้วกันนะวันไหนถ้าไม่ได้อร่อยอย่างใจว่าแล้วก็จะเดือดร้อนละเพราะว่ามันของร้อนจริงๆเลยแหละก็ร้อนเพ่อชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตกายเนี่ยเป็นของร้อนโพธาภะทั้งหลายเนี่ยเป็นของร้อนกา ย, ยาวิญญาณ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 แล้วก็บางทีล้างไอ้ข้างนอกเราก็ว่าดีเรียบร้อยแล้วข้างในเอามาอีกแล้วเดี๋ยวก็ปอดเดี๋ยวก็ตับเดี๋ยวก็ต า, มายยะยะไม้เยี่ยที่หมดเลยเพราะพวกนี้พระองค์บอกว่าเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรา ม, มรณะโศกปริเทวะทุกขโตมานัทและอุปาญาตเนี่ยนะนี่ส่วนใจเนี่ยนะใจฮอนเนี่ยนะใจร้อนเนี่ยใช่เลยใช่ใจเนี่ยเป็นของร้อนแล้วก็ใจก็ตัวร้อนด้วยแหละพะงกัน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 อายตนะภายในหอายตนะภายนหกวิญญาณหกผัสสะหกเวทนาสิบแปดในทวารหกเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นของร้อนทั้งหมดเพราะว่าไม่มีผู้ใดมีอานาจเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากออกอย่างเดียวว่างั้นอริยาสาวกผู้ได้ฟังอย่างนี้ฟังแล้วใช่มฟังเป็นสุตตมยยานเห็นอยู่อย่างนี้เป็นภาวนามยะยานยนะฟังได้ฟังอย่างนี้แล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบืออ่อหน่ายเพราะว่า ทุกขานุปัสนาที่บริบูรณ์ย่อมอย่างนิพพิทานุปัสนาให้บริบูรณ์เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายเพราะถ้าถ้าทุกขานุปัสนามีกําลังเท่าใดอนัตอ่าขอไปนิพพิทานุปัสนาก็มีกําลังมากเท่านั้นเนี่ยนะวันนิพพิทานุปัสนาจะต้องได้มาจากไหนบ้างต้องเจริญอ น, อนิจจานุปัสนาเนี่ยนะในธรรมะนะอายตนะภายใน6อายตนะภายนอกหกวิญญาณหกภาษาหเวทนา18เนี่ยนะ เจริญอนุปัสนาทั้งหมดในทวารหเหล่านี้อย่างบริบูรณ์นิพพิทานอนุปัสนาจึงบริบูรณ์จะต้องเบื่อหน่ายจากทุกเรื่องเลยนะจากทุกอารมณ์เลยไม่มีที่มันมันจะไม่เป็นทุกข์และไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายเพราะนั้นอริยสาวกผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจกักขวิญญาณผัสสะและเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหูย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตสัมผัสและเวทนาเนี่ยนะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจมูกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานวิญญาณภาษาและเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถย่อมเบื่อน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสและเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายในโพธะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายยวิญญาณย่อมเบือหน่ายแม้ในกายยสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบือหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมมรรยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบือหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนา อทุคขามสุขเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปัจจัยผู้ที่ปฏิบัติจนเบื่อหน่ายตาสีหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโพธพภะธรรมรมในบางส่วนได้ผู้นั้นกายานุปัสนาวริบูรณ ถ้าเจริญจนเบื่อหน่ายอย่างนั้นได้จริงก็กายานุปัสนาบริบูรณ์ผู้ใดเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุคขมสุขเวทน า, ออ ท, นาที่เกิดขึ้นในทวารทั้ง6ได้ผู้นั้นเวทนานุปัสนาบริบูรณ์ผู้ใดเห็นผัสสะในทวารหเนี่ยนะผัสสะในทวารหจากขูสัมผสัสโสตคานะเชิวหากายะสัมผสัสในทวารหจนบริบูรณ์แล้วเบื่อหน่ายได้ผู้นั้นมี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 บริบูรณ์เนี่ยนะเมื่อนิพิธาที่บริบูรณ์เนี่ยนะอัฐนิพินติดุกใเ้เอสมมโควิสุทติยาความเบื่อหน่ายนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพานเพราะฉะนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดย่อมวิราคะวิราคะก็คือคลายซะหรือคลายเนี่ยนะราคาแปลว่ายึดติดก็แปลว่าปล่อยวิตัวนั้นวิปฏิเสธเนี่ยนะราคาแปลว่าจับหรือแปลาเหมือนงอดรัดฟัดแน่นไว้เลยนะวิปับปล่อยเลยบอกไม่อ่าแล้วก็ปล่อยปล่อยจาก ตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยจากอารมณ์6ทวาร6ภผัสสะหและเวทนาทั้ง18เหล่านี้เนี่ยนะก็จิตหลุดพ้นจากสังคตะไปหาอสังคตะน้อมไปหาธรรมที่ดับสังคตะเพราะเห็นว่าสังคตะเป็นของร้อนอสังคตะเป็นของเย็นมันเมื่อเบื่อหน่ายก็หลีกไปหาธรรมที่เย็นเนี่ยนะก็เบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ชาติว่าชาติคือการเกิดขึ้นของอายตนะทั้งหลายเหล่านี้สิ้นแล้ว พรหมจันทร์กิจกิจการเจริญเพื่อเห็นอริยสัจอย่างนี้ก็สิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจทั้งสิบหกในการรอบรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเสร็จสิส้นหมดแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวยกากันนะาสิทธิ์นี้อยู่จิตของภิกษุพันธ์รูปก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นเธอท่านจะไม่ถือมั่นเลยว่าจากักขุเป็นของเย็นรูปเป็นของเย็นภาษาเวทนาเป็นต้นเป็นของเย็นไม่มีอีกต่อไป พะฉะน้นพ้นจากการถือว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาเนี่ยนะแต่ว่าปุตุชนผู้ไม่ได้กําหนดรอบรู้จริงๆมันก็เย็นเสมอใช่ไหมเขาบอกว่าเห็นเห็ น, หนแน่ๆอะไรนะโอ้ยได้เห็นก็เย็นใจแล้วอะไงี้ยนะจริงหรือเปล่ามันก็หลอกๆกันไปไงั้นนะจริงก็บอกว่าจริงไม่ได้เย็นอะไรหรอกเนี่ยร้อนจะตายอยู่แล้วว่า ง, งนะั้นมันก็คือขันทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนรนเนี่ยนะ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 ก็ยังคิดเราปู่ตุชนนม่มันทนกันได้อย่างไรมันโง่จริงๆเลยมัทนนันร้อนขนาดนี้เลยนะนั่ก็พักสักครู่ใช่ไดูว่าจะเย็นหรือจะร้อน